ลำบากหรอกไมโ่โรงเรียนฝึกในร้อยทหารใช่ไหมฝึกในร้อยตำรวจใช่ไหมเอางี้นะว่า อ, อ, อุบาสิกาซึ่งเป็นภรรยาของในพานที่ฆ่าสัตว์นางเป็นพระโสดาบันด้วยเป็นสาวิกาของพระผู้ธมีภาคเจ้าแต่มีหน้าที่ไปเหลาลูกธนูให้สามี เออเดีไปลองไปดูในนั้นน่ะเราจะรู้ว่านี่ไงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยชํานาญมากทักโขทักโโเนี่ยก็บปกว่าชํานาญมากฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่ชํานาญมากนะนี่เหมือนถ้าเราไปดูในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระบรมศาสดาบอกว่านายโคคาดคือคนฆ่าโคและสิทธิ์ของนายโคขาดเนี่ย ทักโคชนานาญมากจูงโคมาเนี่ยนะจูงโคมาเบ็ดเสร็จก็ชาแหละโคไม่ถึงห้านาทีจากโคละกลายเป็นแค่เนื้อความเป็นโคหายไปแม้ฉันใดใช่ไหมตถาคตชำนานยิ่งกว่านั้นเธอเป็นสิทธิ์ของตถาคตเธอก็ต้องมีทักโคชนานาญฉะนั้นยอมเจอใครก็จับฟันอัยาเนี่ยฟันชาแหลดินน้ำไปลมใช่ไหม แยกเลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัตถ์ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองแยกเป็นาธาตุดิเนเบอดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูดเป็นต้นแยกเป็นาธาตุน้ำไปไฟที่ยางกายอบอุ่นไฟยางกายสุดโทมเป็นต้นสี่อย่างนี้เป็นาธาตุไฟไปลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำลงในท้องลมไนสระคือใช้ปัญญาชำละปุ๊บนี่เลยนี่เหมือนกันในกรณีนี้ยกตัวอย่างก็คือว่าอุบาสิกาซึ่งเป็น ซึ่งเป็นภรรยาของในพรานฆ่าเนื้อนางเหลาลูกธนูนางนางไม่เคยคิดเลยว่าเหลาลูกธนูนี้เพื่องให้เขาไปฆ่าแต่เหลาในฐานะว่าตนเองทำหน้าที่ภรรยาเห็นไหมบาปจึงไม่ตกแก่นางเลยทีนี้ประการต่อมาในในร้อยเราฝึกใช่ไหมถ้าคนที่เป็นอาจารย์ฝึกใช่ั้มก็ทาหน้าที่ในฐานะอาจารย์ เพื่อให้เขาเกิดความชํานาญแต่ไม่เคยมีความคิดว่าคุณต้องไปฆ่าเขานึ่งอันนี้มันไม่เป็นไงแต่ถ้าบอกว่าเออนี่คุณต้องไปฆ่าอย่างนั้นนี่มันจะพลาดตรงนี้ไงคุณต้องไปจัดการอย่างนั้นคุณต้องไปวางแผนอย่างนี้การโยนระเบิดลงไปนี่นะทํายังไงจะตายมากที่สุดถ้าไปคํานวณอย่างนี้นี่ยุ่งเลยยุ่งเลยเช่นการลงลลลก็ไปคํานวณ ว, ว่าถ้าเราทิ้งระเบิดระยะรัศมีอย่างนี้ คนจะตายประมาณเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นเราจะต้องทิ้งให้ตายมากกว่านี้สมมุติเงี้ยอันนี้พลาดเลยเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจัลกรรมเรื่องการฆ่าผิดไหมผิดใ่ผิดก็ด อ, อย่างงี้นะยกตัวอย่างนี้ดีวกว่าว่าเอางี้นะเออถามได้ดีสมมุตินะ คนหนึ่งสั่งให้เอาเอาเอายอมก็แล้วกันสมมติยอมเป็นหัวหน้าและยอมมีลูกน้องยอมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องเป็นผู้ตายบางังคับบัญชาย้าสั่งบอกว่าเอาเอาระเบิดไปโยนใส่ฆ่าศึกศัตรูนี่ให้ตายเลยนะเบ็ดเสร็จลูกน้องก็คิดเครียดเลย โอ้โหไม่อยากทำเลยแต่ก็ทำด้วยความจำใจนะเนี่ยนี่ยก็สองกรณีนี่นแล้วต่อมาอายยอโยมก็เป็นพวกเราที่นั่งอยู่นี้ลุ้นโอ้โหต้องจัดการให้หมดลุ้นเลยนะอันนี้สมมติเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะหนึ่งคนสั่งไปฆ่าเออไม่ไ ม, ไม่กรณีคนไปฆ่า ไม่ได้เคียดจะไหลทำตามหน้าที่ถือว่าทําตามแมาที่พวกเราก็ลุ้นสถานการณ์ว่าเออพอตุมก็้ไปว่าตายก็จริงอา่านในสามกลุ่มใช่ไหมเออสามกลุ่มเลยในสามกลุ่มเนี่ยคนสั่งฆ่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกคนที่ไปฆ่าตามคําสั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยินดีที่เขาถูกฆ่าเป็นเปรตกลุ่มนี้ยนี่จะเป็นอย่างนี้ยนะที่ผลของกรรมจะเป็นลักษขนาดนี้ไปดูในอัจารีิอะจักถา ในอัสาราิยะอัจฉริาของพ่อพิธทำมาปีโกนะเมกี้ตอนที่ที่านพูดถึงตอนที่จะียรามริดชอบน า, าแล้วก็วเกิดจิตเราฟุ้งซานท่านบอกว่าให้เราหลบไปทําสมาธิทีนี้ถามว่ากรณีที่ทําสมาธิเนี่ยถ้าอย่างในกรณีที่ที่ตัวเองนะคะนั่งทําสมาธกิก็ยังฟุ้งซ่านอยู่รู้ตัวว่าฟุ้งซ่านอยู่แล้วมันเกิใช้ได้ไหม ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงการกุศล ศ, รศรีลนะเราเกิดฟุ้งซ่านก็ให้ตรึกพุทธคุณให้น้อมไประลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาว่าพระศาสดานั้นทรงประกา ศ, รศรกุศลศีลด้วยพระมหากรุณาที่คุณเนาะนั้นมหากรุณาสมาบัติญาณที่อย่างเห็นกระแสของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่จะตกไปในใบพุ่มและตกไปในสังสา ร, รวัฏฉะนั้นการที่เราเนี่ยมาฟุ้งซ่านกับการมาคิดศีลไม่ควรแก่เราเลย พระศาสดากว่าจะอุบัติเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องยากแสนเข็นมากเรานั้นมีโอกาสที่ได้พบพระศาสดาได้ฟังพรรมของพระบรมศาสดาในครั้งนี้ฉะนั้นพระศาสดาประกาศกุศลศีลไว้ล้วนจะเป็นของดีทั้งนั้นแสดงเห็นชัดว่าเราคิดเรื่องกุศลศีลด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นแน่แท้น้อมตั้งศรัทธาไว้ในพระผู้มีภาะเจ้าให้จิตนั้นเป็นสมาธิจากการปารพุทธคุณ พอปาราพุทธคุณเบ็ดเสร็จแล้วความดื่มด่ำในพุทธคุณจะแข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงขึ้นก็จะเห็นประโยชน์ต่อการที่รักษากุศลศีลพระศาสดานั้นเนี่ยต้องการให้เรารักษาศีลพระศาสดากรุณาเราพระศาสดานั้นมีความรักในเราต้องการให้เรานั้นพ้นจากอบายภูมิและพ้นจากสังสารวัฏก็พระองค์หวังดีกับเราเช่นนี้แต่เรากระมัดมาเอาศีลของพระองค์มาคิดเป็นความเป็นความพุ่งซ่าน จึงเป็นการไม่สมควรแก่เราเลยเพอพิจารณาลักษณะนี้ความสงบจะเกิดไหมความสงบจะเกิดเพราะเราตั้งมั่นในพุทธคุณนั่นเองในคุณของพระศาสดานั่นเองฉะนั้นการพิจารณาการวิจัยในลักษณะนี้จึงมีแต่ผลดีอย่างเดียวไม่ได้เป็นผลเสียเลยใช่ไหมถ้ารู้ว่าพ่อเอารัตนามาให้ลูกจะไม่เครียดเพราะหยิบรัตนาของพ่อนะ เป็นรัตนะอันปานีตเป็นรัตนะอันสูงสุดเป็นรัตนะอันประเสริฐใช่ไหมบุคคลอาศัยรัตนะนี้แล้วพ้นทุกได้ฉะนั้นพระศ า, าสดานั้นหยิบยื่นรัตนะให้เราควรขอบคุณเลยเสมอใช่ไหมแต่เพียงที่เราฟุ้งเนี่ยเพราะเราไม่มีศรัทธามือเรายังด้วนมือเรายังขาดไงเราก็ต่อมือสิใช่ไหมก็ต่อมือเพิ่มฟังพุทธคุณกถาใช่ไหม คุณของพระศาสดาให้มั่นและเราก็คนที่ศรัทธาพระเจ้าจริงๆไม่หลงทางน่ะเข้าเดินถูกทางทุกคนแต่ถ้าศรัทธาบุคคลเนี่ยหลงทางเก่งมากฉะนั้นขอให้ตั้งศรัทธาไว้ในพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะโปรดท่านทัานหลายขอศรัทธาพระเจ้าจริงๆนะและจะไม่หลงทางคนที่หลงทางเพราะไปศรัทธาตั้งไว้ที่ตัวบุคคลคนที่หลงทางเพราะไปศรัทธาตั้งไว้ที่ตัวบุคคลโดยมากก็หลงทางโดนหลอกมาเยอะแล้ว ใ, ใช่นั่นแหละพระบรมศาสดาอยู่ในฐานะของพระไตรปิฎกฉะนั้นเมื่อเราศรัทธาในพระไตรปิฎกในอาจาัจฉริยะในดีกาทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่เป็นคําที่ขยายพุท ธ, ธาที่บายเบเศสแต่ว่าไม่ใช่บุคคลแล้วเพราะเราไปเคารพพระพุทธเจ้าและพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระศาสดาประทับในที่ไหนถือว่าพระไตรปิฎกประทับด้วยทําไม ในสมัยขั้งพุทธการเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปไปประทับที่บ้านหรืออย่างที่สันทาคารเ น, เนี่ยเวลาเขาจะเปิดใช้สันทาคารหัวประชุมธรรมสภาของรัฐฉวีก็ดีหรือว่าในนิโครทานรามเป็นต้นก็ดีในกรุงกบิลพัทท่านเหล่านั้นก็จะนิมนต์พระพุทธเจ้าและสาวกของพาาระ พ, พุทธเจ้ามาประทับใช่ไหมพระพุทธเจ้ามาประทับที่ไหนพระไตรปิดกประทับที่นั่นสาวกของพระพุทธเจ้าก็มาณที่นั่นด้วย ฉะนั้นในกรณีในรักษณะแม้ในทุกวันนี้พระาศาสดายังไม่ปรินิพานเนอะโดยฐานะแห่งพระธรรมพระาศาสดาบอกว่าเราปรินิพานเป็นหนึ่งแต่พระาศาสดาแปดหมื่นสี่พันองค์จะทำกิจศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันจะมั่นใจเหตุผลที่เรายังอ่านคำสอนฟังคำสอนไม่เข้าใจเพราะการเสพคุณเราน้ยปะก็อย่าท้ออาหารมาเสพคุณมา ก, มาก วิจัยหรือฟังมากมากใช่ไหมอย่าฟังสเปสสปะอย่าฟังสเปสสปะอย่าเที่ยวสเปสสปะชีวิตเรามันจะเสียสูญอายุเรามันสั้นลมหายใจเรามันจะขาดอยู่แล้วเนี่ยนะอย่าสเปสสปะตรงไหนที่กล่าวเป็นไปตามพระไตรปิฎกธรรมดาดีครับไปฮึตรงนั้นเน่ยเป็นที่ที่เราจะต้องไปฝังศรัทธาไว้แสดงว่าพระศาสดาปรากฏ ต, ตรงนั้นแล้วใช่ไหมตรงไหนบิดคําสอน ทำคำสอนให้บิดพิว ต, ตรงนั้นแล้วก็เดินหนีเดินจากเสมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปอะไรอาวอนเลยนะทุกคนต่างก็ต้องการจะพ้นทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นเราก็เออถ้าตอนนี้เรายังไม่รู้ทำยังไงก่อนไปพิจารณาก็ศึกษานะการศึกษานั่นแหละจะแยกแยะได้ใช่ไหมการศึกษาถ้ายมเรียนจบแพทย์มาเนี่ยใครมาบอกวิชาเถือนรักษาเนี่ยยมรู้เรี่นดีไม่เอาด้วยเหรอเนี่ยนะ หรจบวิชาใดๆมาก็แล้วแต่แต่ชำนาญแล้วมีคนมาบอกวิชาที่ผิดพลาดยอมก็แม้วแล้วนี่ผิดพลาดผิดจากหลักการนี่นี่ก็เหมือนกันเมื่อเราฟังว่าทำคําสอนไปเสร็จนั้นในยุคปัจจุบันนี้ก็มีนะที่เราจะสามารถสืบค้นคําสอนได้ไม่ยากเลยอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกม่ะหมดหรื อ, อยังเอาเลยเรีบถามเลยไม่มีเลยอ่ะสบายพอเอาเลยอาถาม อภานณติพาทาเวรมนีสิกขาประทางสมาทิยามอริการฆ่าใช่ไหมไหอ้จำบังจำบังอะไรพูดเด้ใช่มมกกไหมจำบัง <laughs> ทำไมจะให้พระไปกำจัดปวกง่ย อ๋อตรงนี้มันมันมันเลยจากเราเนี่ยคืออย่างนี้บอกว่าเราให้เขาซ่อมบ้านใช้ภาษาให้ถูกแต่อย่านะคุณจงซ่อมบ้านและทำบ้านของเราให้เหมาะสมแต่เราไม่ให้เขาค่าปวก ใช่ไถ้าเขาทำมันเป็นบาปของเขาเพราะเราไม่เคยสั่งและก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะให้เขาฆ่าปวกนะตรงนี้ฉะนั้นอุบายยกตัวอย่างอย่างนี้นะอามาเข้าไปในห้องน้ำอามาก็เห็นสัตว์เต็มไปหมดใช่ไเต็มห้องน้ำเลยอามาก็จะทำยังไองอามาก็บอกเอโยม ช่วยทําความสะอาดห้องน้ำหน่อยนะเพราะจะเลอะไปหน่อยให้ดูให้ดีๆนะดิเห็นหมนัแปลว่าอมามีมีนัยยะของการกล่าวแล้วนั้นเนี่ยว่าอมานั้นไม่ต้องการมีส่วนบาปด้วยไม่ไม่ต้องการมีส่วนบาปด้วยเข้าใจใช่ไหมงั้นคนไปทําก็ต้องไปพิจารณาอีกที <laughs> เรื่องจริงนะฉะนั้นการรักษา กุศลศีลในพระศาสนาของพระเจ้านะั้นเป็นเรื่องของปัญญานะเอาอย่างสมมุตินี่นะถ้ามาจะบอกยอมโจ้เนี่ยช่วยขุดดินให้หน่อยอามาเป็นนบัตทันทีนะได้สำนวนโัวหารแบบเนี้ยแต่ถ้ามาจะใช้ในกรณีให้วัวหานพระวินยัยมายอมโจ้ช่วยขุดหลุมแม่มาหน่อยหลุนหลุมใช่ดินไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือภาษาของพระวินยัย นั้นท่าที่เขาฉลาดในภาษาที่เขาใช้พระวินัยเป็นเนี่ยนะเขาจเจริญกุศลศีลเป็นเขาจึงไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะสิกษาบทเข้าร่วงละเมิดเลยอย่างนี้เป็นต้นนีอย่างนี้เป็นต้นนั้นในรายละเอียดเป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าอย่างนั้นก็ดีอันนี้มีอุบาย นึกว่าจะทํายังไงก็ได้เขาหายไปก็แล้วกันต้องอย่าไปไอ้ตรงนี้จริงๆก็คือว่าเจตนาสําคัญมากนะต้องเป็นเจตนาที่ไม่เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าเขาไม่น้อมใจที่จะคิดให้เขาวิบัติมีความรากักความปรารถนาดีและเ อ, อ, อืนะ้อถอนเพราะจริงๆแนละ้วในโลกใบเนี้ยถ้าเรามองอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองทรัพย์สมบัติเป็นวัตถุ ก, กามเนี่ยมันจะเดือดร้อน แต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานแล้วมันจะนึกว่าเป็นของที่ควรให้ควรสละเราจะทํำยังไงเราจะมองเป็นวัตถุทานแต่อย่าไปมองเป็นวัตถุกามใช่ไหมถ้าเรามองเป็นวัตถุกรรมเมื่อไหรแล้วเนี่ยมันจะยึดจะติดอ่าถ้าเรามองสามีเป็นวัตถุกามเนี่ยเครียดไหมถ้าเป็นมองเป็นวัตถุทานเป็นของคนบริจาค <c oughs> อะจริงๆะเขาบริจาคกันได้ไหมจริงๆ แมน่าชื่นใจสําหรับที่คนบริจาคทิ้งได้นะนนถึงบอกไงถ้ามองเป็นวัตถุกลามเนี่ยมันจะเป็นเครื่องผูกทันทีเลยเพราะเรามองสิ่งต่างๆเป็นวัตถุกลางนี่แหละมันจึงเป็นเครื่องผูกผูกใจทําให้สัตว์นั้นยึดติดแล้วก็หวงแหนมีความรักความอารยอวรนแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานแหะเราเข้าใจเจตนาทานเราเข้าใจวัตถุทานก็เป็นสิ่งที่ควรสลักก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะยึดติดใช่ไหมถ้ามองนี้จะชัดเจนแล้ว อันเลยถามเลยอยากเรื่องเรื่องปัวต่อนะคะทีนี่ที่นี้บ้านบ้านอยู่ในหมู่บ้านทุกบ้านก็ถีดปววหมดเลยแล้วถ้าบ้านเราไม่ฉีดเนี่ยปัวก็จะมาที่บ้านพร้อมทั้งหนูพร้อมทั้งอยู่ที่เขาถีดกันกันไว้แล้วปกครอก็ต้องถีดกันเท่าเหมือนกันโดยโดยคือจะเลี่ยงเลี่ยงอย่างอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าเขาต้องทำสัญญามาในสัญญาก็จะเขียนว่าสัญญากรรมจากปว่และแมลงและหนูพร้อมแมลงสาและก็มดไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อถ้าไม่ได้วยการเันมาเลยลองว่าโอเคเราไม่ทำตรงนี้ตรงนี้อามาไม่แนะนําให้ทํายังไงนะเพียงแต่แนะนําว่าอุบาสิกาซึ่งเป็นภรรยาของในพาน เหล่าลูกสอนเหล่าลูกธนูให้สามีแต่นางไม่ไม่ทำปานาธิบาสนะวางใจยังไงถ้าอย่างนั้นผู้พิพากษาเนี่ยเซ็นคำสั่งให้ประหารเป็นปานาธิบาศก็ได้ไม่เป็นก็ได้มันแล้วแต่ฉลาดในการวางใจเนะดึง เข็มดึงสายช่วยยังไออกซิเจนให้กับคนไข้เป็นปณธิบาทก็ได้ไม่เป็นก็ได้นั่นคือความฉลาดของพุทธบริษัทของพระพูทพาาวิภาคเจ้าตรงนั้นต้องฉลาดในการที่จะวางใจรายละเอียดเยอะเดี๋ยวไว้ถามอาจารย์มีใช้ท่านวางใจให้ดู <c oughs> เอามาเนาะนันมันมีหลักวางใจหมดเลยนั้น ถึงบอกว่าสาวโของพระพู้ธมีพระเจ้านั้นเขารักษาเขามีปัญญาเขาไม่ได้รักษาด้วยโมหะกุศลศีลมีปัญญานําหน้าไม่ใช่กุศลศีลมีโมหะนําหน้าซึ่งไม่ใช่นั้นเป็นความเป็นอากุศลอกุศลศีลไม่ใช่กุศลศีลอฮัลโหลบอลเรื่องก็เรื่องโผล่เหมือนกัน แต่คราวนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาของคุณเนนามกันก็เป็นสัญญาออกมาเลยและเสร็จตั ว, ตวก็ไม่ยอมไม่อยากจะเป็นแต่เนื่องอจากเราเป็นกรรมการบริษัทต้องเช็คไปถ้าโยอมเซ็นก็สยามคิด อ, อย่างดดที่ท่านผู้ว่าผู้พากตาหรือว่าที่เป็นเอพัญญาของนายพานเในในายภาคว่าเป็นหน้าที่ซึ่งตรงนี้พอรับได้นะเพราะว่าตัวเองก็รู้ว่าําจากปว กำจกัดหมูกำจัดแมลงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสัญญาที่เรารับรู้ตรงตรงนี้ยังไงที่อามาถึงใช้คําว่าเออเราวางใจยังไงใช่ไหมเราฉลาดในการวางใจอย่างไรเราพิจารณาเหตุผลอย่างไรเราทําตามหน้าที่อย่างไรสถานการณ์ที่อยู่นัตรงนี้ซึ่งต้องทํานั้นเนี่ะเราทําให้เป็นไปกับกุศลอย่างไรเราไม่เคยคิดเบี่ยดเบียนใครเลยอย่างไร นั้นการวางใจในลักษณะนี้จะต้องมีมุมในการวิจัยคิดโดยรอบด้านแล้วถึงค่อยเซนนะถ้ายังวิจัยไม่เป็นบอกกติได้สมน้าหน้าตายซะก็ป็นี่นก็เรียบร้อยนี่นก็เรียบร้อยใช่ไหมไปอีกเยอะเลยทีนี้โทษที่จะต้องได้รับนี่นะโทษที่จะต้องได้รับนี่น่าเป็นห่วงเยอะแยะเลยทั้งนี้อันนั้นอยู่ที่วิธีการวางจิตให้เป็นแล้วต้องไปฝึกมะต้องไปฝึกจิตแล้วก็ไปดูเหตุผลในการศึกษาแล้วในที่สุดจริงๆเราจะรู้ว่าอะไร ควรหรือไม่ควรแล้วคว ร, ร, ควรตั้งท่าไว้อย่างไรไม่ใช่พอ ร, รู้อย่างนี้ดีนะเราควรวางใจถูกเหมือนคนบางคนเนะ่ยเข้าข้างตัวเองต้องระวังนะบางทีทำไมเอาอน้ําร้อนไปลวกมดแล้วโอ้ไม่เห็นว่า ง, งั้นแท้จริงเห็นเนะี่ยอย่างเงี้ยนะหรือแก้งล้างหน้าเบ็ดเสร็จกันี้ยโอ้ไม่เห็นยังไม่บอกคนอื่นอีกนะเราจะบอกคนอื่นหรือไม่บอกมันเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเจตนานในขนาดนั้นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องดูต้องรายละเอียดเยอะมากงนั้นทุกชีวิตมีค่า ใช่ไหมหนึ่งชีวิตที่เราทำไปก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานสร้างให้วงวันบริวารก็แตกแยกทั้งนั้นเลงเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนทำให้เขาเดือดร้อนหมดนั่นแหละนะัสิ่งต่างๆนั้นก็วิจัยให้รอบด้านแล้วในที่สุดจริงๆเราจะเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มีอยู่คนหนึ่งนะพอรักแกไม่รู้แกศึกษาศีลยัยงไงแกไม่กล้าขับรถถามยก็บอกชนมแมลงตายวันหลายล้านตัว พ่อขับไปนี่ยขับไปก็อ่างนั้นโอ้โหแกว่าแกเลยไม่กล้าขับรถอันนี้เกินกว่าเหตุเนาะนี่เกินกว่าเนี่อันนี้ไม่ใช่พัญญาแล้วนี่เป็นไปลักษณะนี้ฮะฮะเรามีเจตนาหรือเปล่าสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียร เราไม่มีเจตนาจะไปฆ่าอะไรขาเรามีเจตนาจะขับรถกลับบ้านจะไป ท, ทําธุระแต่ถ้าเจตนาบอกเออดีแล้วไปครั้งนี้จะ่ า, ายสักสามล้านตัวขับมันนี่อย่างนี้ต้องขับแบบนี้สิอย่างนี้สิงูวิ่งผ่านก็ไม่ไม่ถูกเดี๋ยวจอดใหม่ถอยไปเอวิ่งไปหาอย่างนี้ชัดเลยใช่ไหมเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น อ่าอย่างนี้เรียบร้อยเลยเราะี้ไม่แนะนำแต่ก็เพื่อนมวลชนก็มี ไ, <c oughs> ไม่ได้แล้วเอางี้ใช่ไหมบอกแพทย์คนนั้นน่ะบอกอจะผ่าหัวแพทย์เพื่อคนส่วนใหญ่เขายอมไหมายอมไหมในญาติเดียวกันกบเขาก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหมแต่เราเห็นว่าเขาเป็นกบเราเห็นว่าเขาเป็นหนูไง เราไปสําคัญว่าเขาเป็นเครื่องทดลองแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งก็สําคัญแพทย์ผู้ น, นั้นก็เป็นเครื่องทดลองเหมือนกันแล้วจะว่ายังไงสิทธิเสรีภาพเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์เล่นแบบเนี้ยใช่ไหม ท, ท, ท, ทําทีทําท่าเล่นมือเขียนกฎหมายเองตัดสินเองอ่ะแล้วอย่างนี้ใครเขียนไม่ใช่พระเจ้าเขียนนี่ถ้าพระเจ้าเขียนกฎหมายเขียนศีลด้วยสพยุตยานใช่ไหมแต่นักกฎหมายทั้งหลาย ผู้บริหารผู้ปกครองทั้งหลายเขียนสีนด้วยโลหะดูสัมว่าเอาไปสาล่าไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาไปสิทธิ์ที่เสรีภาพชนนี้เอาเงี่ยว่าเราเป็นเจ้าของที่ท่านหนูมันพูดได้มันก็กมันอยู่กันที่เนี่ตะกูลมันอยู่ก่อนที่คุณจะมาซื้ออีกกบก็เหมือนกันเขียดก็เหมือนกันงูก็เหมือนกันกวางเอ้ยเก้งเอ้ยสัตว์ป่านั่งหนีตาเหลียบตาลานลานหมือนแล้วนี่ยมนุษย์ ก็เขาก็ทําคิดของเขาอย่างนี้แหละเขาคิดไม่ต่างกันหรอกแต่เขาพูดไม่ได้ใช่ไหมพระเอิญนิทานดี้อาจารย์มีใช้ท่านยกมาพูดได้แพ้พูดได้เอาทําไมถึงพูดได้อันนี้เรื่องยาวเลยนะเนี่ยเอาทําไมถึงพูดได้คือทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ในยุคก่อนๆเนี่ยเขาใช้ภาษาบาลีในการพูดกันหมดเลยจำไว้ก่อน ฉะนั้นพอมาระยะหลังสังเกตดูพวกเราสิจากภาษาต้นกลับเนี่ยนะมาบาลีทุกวันนี้เพี้ยนมาหมดเลยเหไหมอภิยศาสตร์เนี่ยแต่ก่อนก็พูดภาษาบาลีนี่เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็เพี้ยนหมดแล้วตอนนี้สุนัขเริ่มเห่าไม่เหมือนกันแล้วแต่ละชาติเนี่ยเนี่ยาเรียกวันเพี้ยนมันจะภาษาบาลีหมดแล้วอบิยศัสตร์ก็เพี้ยนจากภาษาบาลีมันมีภาษาหลากหลายแต่ต้นภาษาเดิมจริงๆคือปาลีภาษาเป็นภาษาบาลี นี่เป็นอย่างนั้นต้องควรเก็บเวลาได้เยอะงม่สมควรเก็บเวลาเลยเี่ย